จิตที่ได้ชำระมีความผ่องใสเป็นประจำขณะที่เราอยู่ในสถานที่เงียบเนียบไม่มีเสียงปรากฏเลยเวลากลางคืนแล้วจิตทั้งๆ ท, ที่ไม่รวมไม่สงบรวมเป็นสมาธิก็ตาม เมืกก่อกหนดดูที่จุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นว่าเป็นความละเอียดอ่อนมากที่สุดจนพูดอะไรไม่ถูกและความละเอียดนั้นเลยกลายเป็นเหมือนกับอะไรรัสมอมันแผ่กระจายไปหมดสิ่งที่มา ก, กระทบทางตาทางหูทางลิ้นทางจีง่ยทางกายก็ไม่ปรากฏในเวลานั้น ทั้งทั้งจิตไม่ได้รวงไม่ได้เป็นองค์แห่งสมาธิแต่เป็นฐานของจิตที่ชานะด้วยดีอยู่แล้วสแสดงความรู้ของตนให้เด่นชัดอยู่ภายในตัวเองความรู้อันนี้ก็เหมือนกับไม่มีร่างมีกายเป็นที่อาศัยอยู่เลยเป็นความรู้ที่ละเอียดเด่นอยู่เฉพาะความรู้ร่างกายก็ แม่จิตไม่รวมก็ตามเพราะความละเอียดของจิตเพราะความเด่นของจิตเลยกลายเป็นเรื่องความรู้คือจิตนั่นเด่นอยู่โดยลพังตนเองนี่เป็นอิสร ะ, ะหนึ่งนี่เป็นระยะหนึ่งอีกระยะหนึ่งจิตที่ได้ชาระด้วยดีแล้วนี้อย่างเข้าสู่ความสงบไม่คิดไม่ตุ่มอะไรพักความก็เพิ่ม คือความพิดปรต่างๆภายในจิตโดยสิ้นเชิงหรือแต่ความรู้นั้นล้วนมีเรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบยิ่งอะไรๆไม่ปรากฏเลยจะปรากฏแต่ความรู้นั้นเหมือนครอบโลกธาตุไปหมดเพราะกระแสของจิตไม่เหมือนกระแสของไฟกระแสของไฟมีที่สิ้นสุด มีระยะใกล้หรือไกลตามกำลังของไฟงเช่นแสงสว่างของไฟฟ้าถ้าแรงเทียนสูงก็สว่างไปไกลแางเทียนแรงเทียนต่าก็สว่างไปใกล้ๆ แ, แ, แต่กระแสของจิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นจะใกล้ไกลไม่มีก็เหมือนกับว่าไม่มีการมาตรฐานที่นั่นเอง มันครอบไปได้หมดกลก็เหมือนกับใกล้ใกล้หรือกายมันพูดไม่ถูกเห็นแต่วความรู้นั่นเด็งครอบไปหมดความเจดจักรวาลน้ลโลกทั้งโลกในปรากฏมีแต่ความรู้อันเดียวเท่นั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี่อำนาจของจิตกระแสะของจิตที่ชำนัะสิ่งปิดบังมัวหมองอะไรออกไปแล้ว เป็นอย่างนั้นยิ่งจิตมีความบริสุทธิ์หมดต ด, ดด้วยแล้วอันนั้นยิ่งพูดไม่ถูกเลยไม่ทราบจากคาดว่าอย่างไรเพราะไม่ใช่สิ่งที่คาดไม่ใช่สิ่งที่หมายไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาพูดได้เช่นสมมุติทั่วๆไปเนื่องจากสิ่งนั้นไม่ใช่สมมุติแล้วเป็นวิสัยของ ผู้มิใช่สมมุตริรู้เรื่องความมิใช่สมมุติของตนเท่านั้นจึงนํามาพูดอะไรไม่ได้นี้โลกเต็มไปด้วยสมมุติพูดอะไรก็ต้องมีภาพขึ้นมาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นยกคําว่านิพานขึ้นมาพูดอหนังเรื่องของเจเลศ สามัญคือกิตสามัญธรรมดาเราจะต้องฆ่าปพ น, นิพานเจ้าต้องว่างขวางเบืองว่างว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยดีไปดียังจะคิดประโยชน์มีแต่ผู้คนที่บริสุทธิ์เดินกว่กข่ายกันอยู่นนอยู่ในพระพนิพานนั้นเท่านั้นนะทั้งหญิงทั้งชายเพราะเป็นความบริสุทธิ์ได้ด้วยกันมีแต่พวกที่บริสุทธิ์เท่านั้นเดินกวอกข่ายกันไปกันมาหรือนั่งอยู่สะดวกสบาย ้าดเกระรดดทห น, นื่อยถนนนงไม่มีความสกเสร้างอาห้อยเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันเหมือนโลกสมมุติเราเนะ่ความจริงหาได้ทราบไม่ว่าความที่ว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชาที่เบิกจุดเดินก่าฝ่ายหรือนั่งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของตนด้วยความสุขความกเกษมไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งขวนนั้นเป็นสมมุติอันนีเ้อมันจะเข้ากับพิมุต คำว่นิพพานทแท้ๆไม่ได้การที่จะนำมากล่าวในสิ่งที่สุดวิสัยของสมมุติแม้ผู้นั้นไม่สุดวิสัยแห่งความรู้ก็าตามเป็นวิสัยแห่งความรู้ของตนอยู่ด้วยดีก็าตามแต่ไม่สามารถที่จะนำออกมาพูดได้ในทางสมมุติพูดออกมาก็ตีความหมายไปผิดหม เพราะตามธรรมนาจิตก็คอยแต่จะผิดอยู่แล้วหรือยังมีความผิดอยู่ภยในตัวอยู่แล้วพอแยบประมาณอะไรก็จะต้องคาดประตำความร้นเบาที่ไม่จริงนม่จากไม่แน่ไม่ น, น่นั่จะเหมอไปนั่งก็ะอะไรยมกคือถูกกับภาษาดิบว่าพระอรหันตาย้ำศูนย์ เพราะพญมกนั้นเป็นปุถุชนพระสายบุตรเป็นผู้ชี้แจงให้ฟังยังไม่ยอมเข้าใจต้องพระพุทธเจ้ามาชี้แจงให้ฟังแน่จนึ่นั้นก็นึกถึงในในตํานานที่ท่านเขียนนั้นก็าพญมกยังไม่ยังไม่ปรากฏว่าได้สําเร็จเผลไม่ผ่านอะไรแต่ต้องมีเหตุมีผล พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหากไม่ไม่มีความหมายอยู่ในการแสดงบ้างแล้วพระองค์จะไม่แสดงเลยนี่เป็นอะไคติของพระพุทธเจ้าหรือพระวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจะรับสั่งเรื่องอะไรออกมาต้องมีเหตุมีผลคือมีสิ่งที่จะทุนได้รับสำหรับผู้ฟัง จึงจะแสดงออกมาหากไม่มีอะไรเลยก็ไม่สองแสดงนี่เป็นเรื่องความประพฤติใาที่พร้อมจะเห็นโดยผลรู้รอบขอบคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่พูดไปแบบเปล่าๆเหมือนโลกทั่วๆไปเพราะฉนั้นในเวลาที่พูดกับพยายมกรับสั่งอะไรพระย ม, มกุกทักลืมๆกันมันมานานแล้วจนลืมว่า มีใครได้ผลอะไรบ้างในระยะนั้นหรือว่าพยมพยามกก็ได้มันสงสัยไหมมาถือแต่ตอนที่ว่าพระรหันตายแล้วสูงพระองค์ทรแสดงว่าพระรหันเป็นรูปเหรือถึงตายแล้วสูงพระรหันเป็นเบทนาเป็นพัญญาเป็นลังขานเป็นวิญญาณหรือพระราหันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือเป็นอะไรถามไปเรื่อย นไม่ใช่อันเดียวกันสรุปความแล้วว่ารูปไม่เที่ยงรูกก็สลายลงไปเวทนาทัญญาสังขามิญญาไม่เที่ยงก็มีความสลายลงไปเท่านั้นเรื่องของสมมติเป็นไปตามสมมติอย่างนั้นส่วนเรื่องของวิมุตติคือความรู้สึกจะให้เป็นอย่างนั้นไปไม่ได้จะนําเรื่องของความวิมุตติธรรมหรือวิมุตติจิตเข้ามาค้าคร่าวหรือมาบวกกันกับ ขันท่าซึ่งเป็นเรื่องของสมมติดูเป็นอย่างนั้นความละเอียดของอิตละเอียดจนอัศจรรย์แน่ขณนะที่ยังมีสิ่งพัวพันอยู่ก็แสดงของอัศจรรย์ตามขั้นภูงของตน ยิ่งสิ่งที่ปัวพันหมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วจิตนั้นแลเป็นดวงธรรมหรือธรรมนั้นแลคือจิตจิตนั้นแหลคือธรรมธรรมทั้งแท่งก็คือจิตจิตทั้งดวงก็คือธรรมที่นี่เราจะสมมุติอะไรไปไม่ได้เป็นธรรมล้วนแล้วภายในจิตแน่ท่านจะครองครองร่างหรือ ธรรมชาตินั่นก็เป็นอย่างนั้นโดยช่อมบูนแล้วขันก็เป็นขันอยู่อย่างพวกเราเร า, เราท่านๆ น, นี่เองใครมีรูปลักษณะมีกิริยามายาตเป็นมีนิจจหิิที่ใสายไงก็แสดงออกตามหลิทธิสายของตนตามเรื่องของส ม, มุดที่มันมีการแสดงตัวอย่างนั้นแต่ธรรมชาติของสมุตินั่นแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าโลกก็เป็นอีกโลกหนึ่งแม้จะอยู่ในโลกแห่งขันก็ตาม แต่นี้ไม่ใช่โลกก็พูดอย่างนั้นไม่ได้นอกจากว่าโลกโลกุตระเหนือโลกไปเสียเท่านั้นโลกโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกขั้นถึงทราบได้ในเรื่องความสืบต่อของจิตเมื่อําระเข้ามาโดยลำหนักลำหลับเห็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายเห็นความแสดงออกของจิต ว่าหลักไปในทางใดยังมีอะไรเป็นเครื่องเกี่ยวสืบต่อหรือเกี่ยวเนื่องกันดยู่ท่านก็ทราบทราบได้ชัดนั่นเมื่อทราบชัดจึงหาวิธีตัดหาวิธีปลกเพื่อสิ่งที่ทราบชัดนั้นออกจากจิตโดยลำหนักเวลามันหนาแน่นภายนจิตมืดดาไปหมดนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นอะไ แล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องภ พ, พัน์คืออะไรหรอถือเป็นอันเดียวกันหมดทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งตัวจิตเองคาข้าเป็นอันเดียวกันไม่มีทางที่จะทราบได้ต่อเมื่อได้ชำะสะสระสัตว์สางโดยลำหนักลำหนักค่อยมีทางทราบได้โดยลำหนับจนกระทั่งทราบได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตยังมีอะไรอยู่มากน้อย หรือยังมียูนิตก็ทราบว่ายัางมีเพราะมีความสืบต่อให้เห็นอยู่ชัดเจนว่านี่คือเงื่อนห ร, อหรือนี่คือเชื้อที่จะทาให้ไปเกิดในสถานที่ใดที่หนึ่งอยู่บอกอยู่ภ า, านจิตเมื่อท่านทราบชัดดังนั้นท่านพยายามแก้ไขาด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาจนกระทั่งสิ่ง น, นั้นได้ขาดไปจากจิตไม่มีอะไรสืบต่ อ, อกันแล้วจิต ก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหมดทางสืบต่อเห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือผู้ไม่โดนเดาคือผู้ปฏิบัติจริงคือผู้จริงๆตามหลักของความจริงเห็นได้ชัดเจนประจกรักษ์ใจท่านพูดท่านจริงไม่ผิดนำสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่รู้จริงเห็นจริงออกมาพูดจะผิดไปได้อย่างไงนั่นพระพุทธเจ้าของเรา แต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงทราบว่าเคยเกิดมากี่พบกี่ชาติเกิดเป็นอะไรบ้างแม้ปัจจุบันอีกมีความสืบตอบต่อเนื่องกับอะไรบ้างเพราะมันมีมากต่อมากที่เรนในระยะนั้นพระองค์ก็ยังไม่ทรงทราบได้เหมือนกันต่อเมื่อนน้ทรงบำเพ็ญจนกรทังจัดสรู้เป็นทาทั้งบวงขึ้นมาที่พระทัยแล้ว จะทราบได้ชัดเมื่อทราบทรงทราบได้อย่างชัดเจนจึงนําเอาความจริงอันนั้นออกมาประกาศทำสอนโลกแล้วใครผู้ที่จะสามารถรู้ทำประเภทไหนได้อย่างรวดเร็วก็ทรงเรียนอย่างทราบดังที่ท่านทราบดาบททั้งสองและเบญจวทีทั้งห้าเป็นต้น เมื่อเสด็จมาปโปรดพวกบินดาวิกษีทั้งห้าก็สมดังพระประสงค์ที่ทรงกำหนดทราบด้วยญาณไว้แล้วท่านเหล่านี้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นขั้นๆโดยลำดับจนกระทั่งบรรลุเป็นพรกษุนาศกด้วยกันทั้งห้าองค์เพราะเอาของจริงออกมาแสดงต่อความจริงที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ซึ่งประสงค์ความจริงอยู่ด้วยกันอย่างเต็มใจอยู่แล้วจึงรับกันได้ง่ายผู้ต้องการหาความจริงกับผู้มุ่งจะให้ผู้ที่ต้องการหาความจริงรู้แสดงออกตามหลักความจริงผู้นั้นจึงรับได้อย่างรวดเร็วและก็รู้ตามพระองค์ท่านเป็นลําหนบจนกระทั่งรู้โดยสิ้นเชิงภายในจิตใจ บรรดากิเลสที่มีอยู่มากน้อยสลายตัวไปหผู้รู้จริงเห็นจริงแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางธรรมยอมเป็นที่แน่ใจได้เพราะเห็นมาด้วยตาได้ยินมาด้วยหูได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วมาพูดในสิ่งที่สัมผัสแล้วนั้นจะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้ เข็มเป็นต้นเราก็ทราบในลิ้นของเราแล้วว่ามันเค็มพูดออกมาจากความเค็มของเกลือนั้นจะผิดไปไหนเนี่ยเผ็ดพริกมันเผ็ดมาสัมผัสลิ้นก็ทราบแล้วว่าพริกนี่เผ็ดแล้วพูดออกมาด้วยความจริงว่าพริกนี่เผ็ดจะผิดไปที่ตรงไหนเนี่ยการรู้ธรรมก็เหมือนกัน ปฏิบัติถึงขั้นที่ตัวรู้ต้องรู้เป็นลําดับลําดารู้ธรรมนิละกิเลสมันเป็นไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันเหมือนยงเราเปิดไฟความมืดก็ดับไปในขณะเดียวกันกิเลสสลายตัวลงไปความสว่างที่ถูกปิดบังอยู่นั้นก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวกันกับกิเลสสลายตัวลงไป ความจริงได้ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนนี่เลยขึ้นเป็นความจริงอันหนึ่งก็ทราบอย่างชัดเจนแล้วตัดขาดได้ด้วยหลักความจริงคือสติปัญญาแล้วนำมาพูดกันเพื่อผู้ฟังด้วยความตั้งใจฟังต้องเข้าใจและทำที่ พระองค์ท่านแสดงไว้แปดห0ื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เหล่า น, นี้นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากเบนจะขัน์ของเรามีใจเป็นตัวประธานสำหรับรับผิดชอบช่วยดีทุกสิ่งทุกอย่างทำแม้จะมากถึงแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ตามแสดงไปตามอาการของกิจอาการของกิเลสอาการของธรรมมากเป็นไปอย่างไรบ้างใน คณาจัตที่มีนิสัยต่างๆกันจึงต้องแสดงออกอย่างกว้างขวางแปดหมืสี่พันประธรรมขันเพื่อให้เหมาะสมกับจะดูดนิสัยนั้นๆจะได้นําไปประพฤติปฏิบัติและแก้ไขตนเองในวาระต่อไปและควรจะทราบควรจะแก้กิเลส อ, อาสวะได้ในขณะสดับทำจากพระโพธิเจ้า ก, ก็ให้สาเร็จประโยชน์สนําเร็จผลไปโดยลำหนักทำทั้งหลายจึงอยู่ที่ จะพ่ออย่างยิ่งอยู่ที่ใจการแสดงธรรมมีอะไรเป็นเครื่องเครื่องเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอยู่ก็มีธาตุมีขันมีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภสายนอกนับไม่ทวนหาประมาณไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกล่างกายใจของเราจรึงต้องแสดงทั้งภายนอกแสดงทั้งภ า, ายใน เพราะจิตหลงได้ทั้งภายนอกหลงได้ทั้งภายในรักได้ชังได้ทั้งภายนอกภายในเป็นไปได้ภายในจิตมีสำคัญเมื่อทรงแสดงให้ทราบทั้งเหตุทั้งผลทั้งั้งนอกข้างในตามหลักความจริงจิตที่ไข้ครวหรือพิจารณาตามหลักความจริงหรือโดยเฉพาะอยู่แล้วต้องทราบไปโดยลำดับแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับเพราะทราบความจริงนั้นเป็นลำดับ เมื death, now, so so so AH so ่อทราบสินใดแล้วก็ย่อมปล่อยวางมาและสินนั้นก็หมดปัญหาในการที่จะไปพิสูจน์ในการที่จะไปพิจารณาอีกต่อไปจินใดที่เข้าใจแล้วสิ่งนั้นก็หมดปัญหาเพราะเมื่อเข้าใจแล้วก็ย่อมปล่อยในสิ่งนั้นวางในสิ่งนั้นคือปลดปล่อยไปเรื่อยเพราะความเข้าใจไปเรื่อยธรรมะในขณะที่แคบก็แคบคือจิตใจของเราในขณะที่แคบก็มีในระยะที่แคบเช่น การอบรมในเบื้องตน้นจิตมีแต่ความว่าวุ่นขุนมัวอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้จึงต้องสอนให้อบรลมจิตใจให้มีความสงบสุขเพื่อจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ด้วยความสงบนั้นเป็นบาตเป็นฐานหรือเป็นราฐานของจพอจะตั้งตูตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในการปฏิบัติต่อไปจึงต้องสอนให้จิตมีความสงบด้วยทหบทใรข้อตา เมื่อจิตได้รับความสงบเพราะทำหมดนั่นนั้นพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เริ่มพินิพิจารณาปัญญาก็ค่อยแต่ออกไปโดยลนดับเมื่อถึงการอันควรที่จะภาคจิตด้วยสมาธิภาวนาก็กำหนดตังที่เคยทำมาแล้วโดยไม่ต้องสนใจกับทางด้านปัญญาแต่อย่างใดในขณะนั้นตัหน้าตังตาทำความสงบด้วย ทาที่เคยเป็นคู่เคียงของใจหรือที่เคยได้ปฏิบัติมาเพื่อความสงบนั้นกำหนดทำหมดนั้นเข้าไปโดยลาดับจนปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วมีความสุขความเย็นใจเรียกว่าพักถอนด่อนจิตด้วยสมาธิภาวนาเมื่อจิตถอนออกมา จากความพักจากความสงบนั้นแล้วก็ออกลี้คลายพิจารณาดูสิ่งต่างๆอันใดที่ควรจะพิจารณาในระยะในเวลาใดพิจารณาในเวลานั้นๆจนเป็นที่เข้าใจเมื่อปัญญาได้เริ่มไหวตัวเพราะพลังคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาจะต้องแสดง พิจรารณาออกอย่างกว้างขวางเบียร์ลำหนักลำหนักนี่ตอนนี้ปัญญาทว่ากว้างกว้างทำทว่ากว้างกว้างตอนนี้ปัญญามีความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไงก็ยิ่งกระจายออกไปจนกระทั่งรู้เหตุดูผลในสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วหายสงสัยจิตย้อนตัวถอยตัวเข้ามาเข้ามานี่เข้ามาในวงแคบก่เมื่อพิจารณารูาา้ตามความจริงแล้วจะไปปัวพันธุ์ กังวลกับสิ่งอะไรอีกเล่าอเท่าที่กังวลวุ่นวายอย่างนั้นก็เพราะความไม่เข้าใจจริงได้เป็นเช่นนั้ น, นเมื่อเข้าใจด้วยปัญญาที่ได้พิจารณาพิคลายเห็นตามความจริงของมันแล้วก็จิตก็ถอยปล่อยกังวลเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นวงแค่เข้ามาแค่เข้ามาจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันถึงจิตตัวเองโดยเฉพาะนี่เวลานี้วงแค่ ในระยะนี้วงแสบเพราะตัดเข้ามาโดยลำดับแล้วถ้าขันมีอะไรบ้างหนะจินแจงลงไปทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งขันินยานพิจารณาจมหายสงสัยในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็ตามเช่นพิจนา ใ, ในรูปเรื่องเวทนานก็เป็นอันว่าจะเข้าใจไป ต, า, ตามกัน มากน้อยเดีววิจารณเวทนามันก็วิ่งมาถึงกันกันกบรูปอีกเช่นเดียวกันสัญญาทั้งขาหนึ่งอย่าณมันก็มีลักษณะเดียวกันเพราะออกมาจากกระแสะของจิตอันเดียวกันสรุปความลงแล้วขันทั้งห้าท่านก็บอกว่าเป็นครังแห่งตารักหรือเป็นกองแห่งตารักทั้งหมดมีสิ่งใดที่จะควรถือเอา รูปประทาดรูปประขันรูปทั้งปวงก็เป็นกองเห็นธาตุูีแล้วินทนาทัญญาสังขานิญาณแต่ละอย่างก็เป็นเจนนามะธรรมาปรากฏยิย่ยับยิยับแล้วหายไปในขณนะขณะจัตเธอสาระแก่งฉันอะไรจากสิ่งเหล่า น, นี้เล่าปัญญาอย่างทราบข้ระเดิมหนักคือทราบตามความจริงซึ้งถึงจิตจริงๆ แล้วก็ปล่อยวางด้วยความซึ้งอีกเช่นเดียวกันคือปล่อยอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจก็ปล่อยอย่างถึงใจเข้าใจอย่างถึงใจแคกเข้าไปแค่เข้าไปนี่แหละเห็นวิถีทางเดินของจิตที่ไปเกี่ยวเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรต่างๆ น, นงานาสร้างคมาเดินดบบตัดทางเสือโคร่งทันว่าในหนังสือธรรมบท ท่มาตัดทางเสือโคร่งออกเที่ยวหากิ่นท่านวะคือออกจากทางตาทางหูทางจมูกทางยิ้มทางกายไปเที่ยวเกี่ยวข้องการบูบตามเสียงกลิ่นรสเพื่องสัมผัสที่เนี้ยก็ออกมาเที่ยวตามบูบตามเวทนาสัญญาทางขานยันยันค้นเข้าไปค้นเข้าไปทางเสือโคร่งเสือดาวมันเที่ยวตามนี้ท่านวะแล้วค้นเข้ามาตัดเข้ามาตัดทางเข้ามาเจนกระทั่งเอาเข้าใส่กรงเถอืม เข้าใส่กลมคือเข้เขารวมตัวในจิตดวงเดียวเท่านั้นที่ละเียดอาสวะทั้งมวลรวมลงในจิตดวงเดียวนี่ตัดขาดั้งหมดอิงการสาขา ต, จจตัดไปหมดเหลือแต่จิตอยู่ในจิตดวงเดียวเอาจิตมาแต่ว่าเป็นเอามาเป็นลูกฟุตบอลก็ได้มาคลี่คลายเอาจนแหลมกระจายภายในนั้น มันกลิ้งไปกล้งมาเป็นวัตจักรของอนุูกฟุตบอลนี่ก็เตะซะจนแตกกระจายด้วยปัญญามาจิตที่เป็นสมมุติแตกกระจายไปจิตที่เป็นย ม, มุตก็สแสดงตัวอย่างเต็มที่ทําไมถึงว่าจิตที่เป็นสมมุติจิตที่เป็นย ม, มุตมันเป็นจิตสองดวงอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นจิตดวงนั้นแหละที่มีสมมุติ ที่เป็นกิเลสอาสวะมันครอบถึงนั้นเหมือนก็เรีวยว่าจิตประเภทหนึ่งแต่เมื่อได้ถูกชำระขยี้ขยาด้วยปัญญาลงไปแล้วอันนี้กระจายไปหมดแต่ส่วนจิตที่ทนต่อการพิสูจน์ไม่ได้สลาให้ไปด้วยฉลาไปแต่สินที่เป็นอันนิจจังทุกขังนักตาเท่านั้น วิริยะ อ, อาสวะจะละเอียดเพียงไรก็าตามมันก็เป็นอนิจจังทุกขังนักขาเช่นเดียวกันสิ่งนี้สลายไปธรรมชาติที่รู้นั้นถึงสิ่งนั้นจะสลายไปก็าตามอันนี้ไม่ใช่แต่รักแต่แล้วเพราะสิ่งที่เป็นใจรักได้กระจายตัวออกไปสิ่งที่ไม่ใช่ใจรักก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มภูมิหรืออย่างเต็มที่นี่แหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ค่ะ จากความสืบต่อเกี่ยวเนื่องอะไรโดยประการทั้งปวงหรือแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆนี้เราพูดไม่ได้ที่นีว่าจะเป็นจุดอยู่ในที่ใดในร่างกายของเรานี้แต่ก่อนเป็นจุดเช่นสมาธิเราจะทราบไปอย่างชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกความรู้เด่นอยู่ตรงนั้น ความสงบเด่นอยู่ตรงนั้นความสว่างความป่องใสของจิตเด่นอยู่ที่ตรงนั้นยามชัดเจนโดยไม่ต้องไปถามใครบรรดาท่านผู้มีจิตที่มีความสงบเป็นฐานในสมาธิแล้วจะปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกนี่จริงๆทีนี้เว ล, เวลาจิตนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้ว พูดไม่ได้ว่าอยู่เบื้องบนเบื้องล่างอยู่สถานที่ใดเพราะเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ด้วยเป็นความรู้ที่ล ะ, ละเอียดเหนือสมมุติใดๆทั้งหมดแม้เช่นั้นก็ยังเอาสมมติมาพูดแบบละเอียดสุดเนี่ยซึ่งไม่ตรงต่อความจริงเลยคำ ว, ว่าละเอียดสุดนี่ก็มันก็ต้องเป็นสมมุติอันน่ะเนี่ยอันแต่อันนั้นไม่ใช่จงหมดเลย เขนพูดไหมนะว่าอยู่สูงอยู่ต่ำมีจุดมีต่ำ อ, อ, อยู่ที่ไหนไม่มีเนีแต่ความรู้เท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกสิงแม้จะอยู่ในท่านในขันซึ่งเคยกระเข้ากัานมาแต่ก่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยกลับเป็นคนโลกไปแล้วทราบได้ชัดขันก็เป็นขันหน่กติ่ง จิตก็เป็นจิตกายก็เป็นกายเวทนาสัญญาขานันธ์วิญาณที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็เป็นขันธ์แต่ละอย่า ง, างส่วนเวทนาในจิตนั้นไม่อยู่คําว่าปรามังสุขขังไม่ใช่สุขเวทนาในขนะนิพพานังปรามังสุ ข, ขังพรนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคําว่าสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่เวทนาเหมือนเวทนา ของจิตที่มีกิเลสและเวทนาของกายซึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์แสดงอยู่เสมอไม่ใช่เวทนาเหล่านี้จิตที่มี บ, บริสุทตน์ตนแล้วเราจะเรียกว่าจิตมีเวทนาจึงเรียกไม่ได้ไม่คํคำว่าปรมาสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์จึงหา ความอีจังตุหัสาเข้าไปแทรกในประมังสุ ข, ขังนั้นไม่ได้ฐานิพานเที่ยงประมังสุ ข, ขังนี่ก็เที่ยงนั่นอันเดียวกันขณะ น, น, นิพานเที่ยงประมังสุ ข, ขังก็เที่ยงประมังสุญญาก็เที่ยงเป็นอันเดียวกันพูดอะไรแง่อะไรก็แยกไปได้ถ้าผู้ที่รู้ผู้เข้าใจประจักษ์ใจแล้วถ้าไม่เข้าใจพูดวันดั้งคาผิดวันดั้งคา ไม่มีทางถูกเพราะจิตไม่ถูกพูดออกมาจะถูกตามอัดกรรมทำเท่าไหรก็กามแต่จิตผู้แสดงตัวออกมานั้นไม่ถูกแล้วจะเป็นถูกได้อย่างไรเมื่อนเราเรียนคําว่านิพพานังปรังมังสุขังนิพพานังปรังสุญงเรียนจนติดปาก็ตามจิตก็คือจิตที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละมันถูกไปไม่ได้เมื่อจิตไม่พาถูกเสียอย่างเดียวอะไรจะถูกไปไม่ได้นัน เพราะจิตถูกเสียอย่างเดียวไม่พูดก็ถูก น, นี่เพราะธรรมชาตินั้นถูกอยู่แล้วพูดหรือไม่พูดก็ถูกเมื่อถึงขั้นที่ถูกแล้วไม่มีผิดนี่เนี่ยผลใ น, นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนถึงถูกนี้เท่านั้นไม่ทรงสั่งสอนอ้ายต่อไปอีก หมดสมมติหมดบัญญัติหมดทุกตัวประการทั้งปวงจึงไม่ทรงแสดงอะไรต่อไปเป็นจุดที่มุ่งหมายอย่างเต็นที่แล้วหรือเต็นภูมิของจิตของธรรมแล้วในเวลาจะไปผ่านทรงแสดงถ้าโอวาสเรียกว่าปัดฉีมาโอวาสนะฮั่นดานที่เรอมันตะยานิย พระธรรมาสร้างคาราบมาเ ด, ดนะสัมปาเดทะนะดูก่าน้วยสุดทั้งหลายนะปุดย่อเธอทั้งหลายจงพิจารณาสังขารที่เจริญขึ้นแล้วส่วนไปหรือเกิดแล้วดับไปด้วยความไม่ประมาทเถิดนะั่เท่านั้นแล้วปิดพระโอษฐ์ในพระว่าที่เป็น ขนาดขั้นปัจิโมวาตแล้วเราจะถือว่าสังขารนี่เป็นสังขารประเภทใดเราแยกไปสังขารประเภทภายนอกก็ไม่ผิดแต่ในขณะนั้นมีแต่พระสงฆ์ผู้เป็นนักปฏิบัติซึ่งมีภูมิชัสูงทั้งนั้นนับแต่พระรหันต์ลงมาเข้าเฝ้าพระองค์ในขณะที่ประทานพระโอวาท ตัดขิมโอวาดนี้หลักใหญ่จึงขึ้นอยู่กับสังขารภายในที่ปรุงอยู่ภายนจิตกวรกจิตอยู่ตลอดเวลานี้ให้พิจารณาถึงความเกิดความหนักแห่งสังขารอันนี้ด้วยควา ม, มรประมาทคือด้วยสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานั่นเองสังขารอันนี้ครอบโลกธาตุหากเราจะแยกไปสังขารภายนอกก็ได้ต้นไม้ภูเขาอะไร สัตบุคคลอะไรก็ได้แต่ไม่สมภูมิพระองค์ไม่เหมาะกับการเวลาที่เป็นเวลาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่จะปรินิพานและประทานพระโอวาทให้แก่พระสงฆ์ในขณะนั้นการแสดงปัจฉิมโอวาทเกี่ยวกับเรื่องสังขารในขณะที่จะประนิพันนั้นจึงหมายถึงสังขารละเอียดสุด ที่มีอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเมื่อทราบอันนี้ชัดเจนลงโดยแบบทําไมจะไม่ทราบหลักฐานลากรากฐานของสังขารมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นมันก็ต้องอยังเข้าไปถึงบ่อ ย, อยวัดปจัจจคือจิตตาวิชามันเป็นทางที่จะยังเข้าในนั้นผู้ที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องได้ทราบผู้ที่กําลังก้าเข้าไปในดนลลำบากลำดาลที่ยังไม่ ไม่ถึงภูมินั้นสนิทก็ทราบชัดเจนเพราะกำลังพิจารณาอยู่แล้วีเหมาะสมกับโอกาสด้วยร่ำเวนาที่พระองค์ประธานพระองค์ว่าเพราะเหตุใดเพราะปกติของจิตที่ได้พิจารณามีภูมิธรรมขึ้นไปโดยลำดับแล้ว สังขารยิงเป็นจะเป็นเรื่องสาคัญมากเป็นสิ่งสาคัญมากต่อการพิจรารณาเพราะอันนี้แสดงอยู่ทั้งวันทั้งคืนแสดงในทุกระยะภายในจิตจิตที่พิจารณาทำท่านภายในแล้วจะต้องถือสังขารเป็นป้าหมายแห่งการพิจรารณานี่จึงเป็นเรื่องที่วบาเกี่ยวเนื่องถึงกันกันกบประชิมโ อ, อวาสอย่างยิ่งทีเดียว ที่จะคว้าอวิชชาให้ล่มจนลงไปก็ต้องสืบทอดไปจากสั้งขานตัวปรุงอยู่เรื่อยๆที่จะรับความผลักดันมาจากอาวิชชาให้แสดงตัวพอกำหนดตามลงไปตามลงไปก็ไปถึงลากเงาเข้ามุมของยิ่งใหญ่ทำลายท่าแสงไปสั้งขานอันนี้ก็เมีความหมายอะไร นอกแตธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ทางด้านอัดทำเป็นคิดปรุงแต่งเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่ลงสารสแสดงธรรมก็ต้องใช้สังขารสังขารประเภทนี้ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปสังขารที่เป็นเครื่องมือของวิชาบังคับบัญชาให้ใช้นั่นเป็นอันว่าเปลี่ยนตัวไปแล้วกลายมาเป็นสังขารประเภทเครื่องใช้เครื่องมือของธรรมไปเครื่องมือของผู้บริสุทธ ในนำสังขารนี้ออกแสดงแก่โลกคือความปรุงปรุงอักปรุงทรรมต่งตงางๆทมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในครั้งพุทธกาลคืออดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ได้อยู่อนาคตที่ยังไม่ถึงแต่อยู่ในระหว่างขันธปิดของเรา หรืออยู่ในธาตุในขันในจิตใจของเราทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายมรรคทั้งความเบื่อหนมีอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยโน้นที่โน้นกับคนโน้นคนนี้ดูกับผู้ปฏิบัติคือผู้ฟังผู้พินิพจน์ณานอยู่เวลานี้เพราะเหตุไรเพราะเราตา่างคนต่าง ม, มุ่งต่ออัตต่อทังมุ่งต่อความจริงเช่นเดียวกับ ทำพิธานแสดงไว้แล้วในสมัยนั้นนั้นแล้วเข้ากำลัง่ามัตชิมาเป็นศูนย์กลางอยู่เสม อ, ไ ม, อ ไ, สมไม่เอียงไปสมัยนู้นไม่เอียงไปสมัยนี้ไม่เอียงไปการโน้นการนี้เพราะอยู่ในท้ำกลางแห่งธาตุแห่งขันของเหลานี้ท้ำกลางอยู่เสมอมัตชิมาขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี้แล้วเราจะเห็นผลแห่งมัตชิมาที่แสดงออก ดางที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่านิพพานังประมังสุ s ข, ขั h จะไม่พ้นไปจากบิดดวงรู้นี้เลยเป็ขอยึอดติดเพียงตรงนี้